คือเมื่อกรรมตามมาทันก็ไม่มีอะไรจะยับยั้งได้นอกจากกรรมด้วยกันคือเมื่ออกุศ ล, ลกรรมตามทันก็ต้องกุศลกรรมที่ใหญ่ยิ่งกว่าเท่านั้นที่จะตัดรอนอกุศลกรรมได้ช่วยให้สวัสดีไปได้ครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง